กลับมาวั ص ا หลวงตาเจ้าค่ะก็ได้มีโอกาสมา ก, กลับหลวงตานี้เป็นครั้งที่2ก็คิดว่าตัวเองเข้าใจในสิ่งที่หลวงตาเมตตาสั่งสอนนะคะเพียงแต่ว่าการที่จะไปสู่เส้นทางนี้ที่จะรู้ได้ทุกขณะไม่ติดไปไม่หลงเผลอคิดเนี่ยค่ะกโ็โดยส่วนตัวเองเนี่ยก็คือใช้วิธีเดินจงกรมอย่างเดียวไม่ได้นั่งสมาธิเจ้าค่ะกไ็ไม่แน่ใจว่าจะห ของตัวเองจะเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่จะเผลอหลงลุห ล, ลงไปอยู่กับความคิดมากกว่าจะมีสติอะเจ้าค่ะลูกตาก็นั่งสมาธิไม่เป็นใช้ความรู้ในสภาวะจิตตื่นเนี่ยลูกตาปฏิบัติก็รู้ในสภาวะจิตตื่นไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนตต่ปฏิบัติตั้งแต่เป็นคาราวาแวสแหะรู้แต่ว่าจิตตื่นใช้เดินเอาไม่รู้เลพอนั่งแล้วมันแนบนด้มหมดเลย อมณ์ตาเป็นนั่งนั่งสมาธิก็มันแน่นมันจุกมันอึดอัดมันมันเหมือนกับมึนไปหมดเลยตื้อเนี่ยทุกทีเลยเลยไม่นั่งกับเดิมอย่างเดียวเดิมนั้งวันทั้งคืนเนี่ยเดินเดินมีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันมีสติตื่นรู้อยู่ในขณะทุกขณะจิตปัจุบันมีสติตื่นรู้สัตววรู้สัตววรู้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางอยู่ที่ใจมีสติตื่นรู้อ่ะไม่หลงคิดนะไม่หลงคิดแต่รู้ว่าตัวเราทุรู้ว่าตัวเรากำลังคิดอะไรไม่เอาตัวเเรรราาาาไไปหลลงงคคิิดดวว่ตัักํอะ ไม่เอาตัวเรา weiß, ไปหลงคิดรู้ตัวเราคือรู้ผู้รู้เนี่ยรู้ไอ้ผู้รู้ไม่ใช่ว่าเอาตัวผู้รู้ไปคิดอะไรโน่นเลื breakup, well. ่อยเฉยไงคือรู้ตรงผู Half ้ร <zaten> ู้เนี่ยไปรู้อะไรก็เอามาคิดอยู่ในใจรู้อะไรก็เอามาคิดอยู่ในใจรู้อะไรมาคิดในใจไปรู้อาการของใจมันคิดอะไรอยู่ในใจรู้มันทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นยังไงได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจน้ำตาประเชสติตื่นรู้นะแล้วลูกศิษย์หลวงตาหลายคนที่มาฝึกไม่หลับไม่นอนกันตั้งหลายวันมื่ก่อนฝึกกันเนี่ยก็ใช้ไม่หลับไม่นอนทั้้งงงววัััันนนนนคืืต่่ออเกหลาย ไอ้มีส ต, ติตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันในความรู้สึกตัวด้วยความรู้สึกตัวตอนนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถมาสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจละที่ใจไปวันที่ใจเราทําไม่เป็นเราทําไม่เป็นใช่ไหมเราเราก็มัวแต่ไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้ไปอยู่กับเวทนาสัญญาทังขานคิดไปเรื่อยเงี้ยเราหลงไปห ล, ลงอารมณ์หลงความคิดไปเรื่อยโดยที่เราไม่มาสติตรงที่ผู้รู้ คือม the so. ันร so. so. so so so ู้อะไรมันรู้อารมณ์รู้ความคิดแล้วมันมาภาคอะไรอยู่ในใจรู้อารมณ์รู้ความคิดแล้วมันมาภาคอะไรอยู่ในใจเราไม่ดูไอ้ตัวภาคแต่เราไปดูตัวความคิดหลงคิดไปเรื่อยเลยดูความคิดหลงคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยวิธีแก้คือเราก็บริกรรมเดินเวลาเดินในความรู้สึกตัวหรือนั่งเราจะนั่งสมาธิก็ได้เราก็เอาพุทโธเป็นเครื่องล่อไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือว่าใครจะไม่เอาพุทโธก็ได้ก็เอายังอื่นก็ได้เป็นเครื่องล่อ อเครื่องลอ่อพุทธเจ้าให้ไว้ถึงสี่สิบตัวอย่างนะนะตอนที่พวกคิดศาสนาคเคยมาฝึกกับหลวงตาเขาเป็นเป็นหัวห น, านาคณะแต่อุทธรเก่าเนี่ยก<ม>็เป็นคริสเป็นเป็นอาจารย์สอนคิตศาสนาเป็นอาจารย์สอนเลยหลวงตาไม่รู้ให้เข้ามาปุ๊บแล้วเข้ามาปุ๊บแล้วเขก็จะมาฝึกกับหลวงตาจะจะมาฝึกเพราะว่านั้นเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่หามมาแล้วเข้าปีกมาแล้วเขาเลยอยากมาอยากมาฝึกปฏิบัติธรรมหลวงตาก็อ้าวอยากให้พุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธพอพุทโธพุทโธก็ตะเกตดู อทำไมพุทโธแล้วมันเหมือนกับลบกันนะมันตีกันอยู่ข้างในลบกันอยู่ข้างในในจิตใจเขาเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธแต่มันลบเหมือนลบข้างในมันลบกันเด้อเด้อเด้อเด้โยมโยมเดี๋ยด้อเด้อเด้อมันทําไมมันข้างในมันเหมือนตีกันมันท่านบริกรรมว่าพระเจ้าเหรอเขาเลยหุดตกใจขอกมาเลยตาบเขามาอาจารย์ ผมเป็นอาจารย์สอนคิดศาสนาผมนับถือคริสอ้าวทำไมไม่บอกเราล่ะเออไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้บริกรรมไปเลยพระเจ้าพระเจ้าหรือพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าแบบบริกรรมไปเลยไม่เป็นไรบริกรรมไปได้เพราะว่าเป็นเครื่องล่อไว้ไงเป็นเครื่องล่อเพื่อจะเห็ว่าภายในจิตใจเรามันคิดอะไรไงให้เครื่องล่อมันล่ออยู่เพื่อจะให้เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไม่รู้ตัวล่อเนี่ยมันคิดอะไรอยู่มันบ่อะไรอยู่เพื่อให้รู้ว่าวิญญาณขันเนี่ยมันพากันภาคมันพูดว่าอย่างไงเพื่อให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมันภากพูดไงไอ้ตัวนั้นเป็นตัวล่่อแวาไปเย พูดไปเลยบริกรรมพอละอ่าเขาบอกดีใจอ่ะเลยเขาเป็นบริกรรมของเขาเราก็จําไม่ได้ว่าเขาบริกรรมว่าพระเยซูหรือว่าพระเจ้าพระเจ้าจำไม่ได้แล้วเขาก็เปบริกรรมเขาเลยพระเจ้าทุกเมื่อบริกรรมพระเจ้านะเขากขาพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเงี้ยนะบริกรรมไปเรื่อยพระเจ้าพระเจ้าเขามายอมใช้พุทโธเขาบอกว่าใจผมทอรยต่อศาสนาผมผมรู้สึกว่าไม่สบายใจผมขอได้ไหมเขาบอกได้ไดได้เอาเลยเอาเลยเขาก็บริกรรมพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าบริกรรมกระพักนึงเราดูเอ มันไมข้างในมันลบมันอีกอะเดี๋ยวเอ้าก็เมื่อกี้พุทโทพุทโทมันก็ท่านก็รู้สึกว่ามันขัดแย้งขอให้ทําบริการพุทธพระเจ้าพระเจ้าทําไมท่านรู้สึกท่านรู้สึกยังมันยังขัดแย้งไงอาจารย์ผมไม่สบายใจเลยผมพุสธาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ผมไม่มีที่พึ่งแล้วผมยังผมไม่ทรยศแต่ศาสนา แต่พอผมมาบริกรรมพระเจ้าพระเจ้าผมรู้สึกว่าผมทรยศต่ออาจารย์ปากโผล่ไปไม่ถูกเลยทำไมคิดมากแบบเนี้ยแทนที่จะเห็นความคิดมันไม่เห็นความคิดเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมก็อะไรก็ได้เอามาล่อไว้เอามาล่อไว้อันอย่างนึงเนี่ยคนไทยอาจารย์เนี่ยแต่ที่ได้ตายไปแล้วเนี้ยเอามาล่อไว้คนไทยอมันจะเอาอยังไรดีอาจารย์ เอาอะไรที่ไม่เป็นศาสนาได้ไหม <c oughs> ต่อรองเราเอาไม่เป็นเอาไม่มีที่ที่เป็นศาสนาเนี่ยเอามาล่อดได้ไหมอาจารย์เราก็นึกเอาอะไรดีกว่าโอ้ลมหายใจเข้าออกทุกศาสนาต้องมีลงหายใจเข้าออกเอาลงหายใจเข้าออกเป็นตัวล่อไว้ไม่ต้องท่องอะไรทั้งสิ้นนะให้รูล้ลมหายใจเข้าออกเป็นตัวล่อไว้อืมแล้วก็แล้วก็วกไอพู้ไอผู้รู้เนี่ยมันมันคิดนึกติดตอมปรุงแต่งอะไรใ ห, ห้รู้หมดเลยรู้หมดรู้มันทุกคิดว่ามันพากอะไรมันพูดอะไรให้รู้หมดอ่ะเขาก็ไปรู้ลมหายใจเข้าออก หายไปอยู่วันต้วันมั้งไปรู้ลมหายใจก็ออกกลับมาอาจารย์ขอคืนได้ไหมอ้าวทำไมอ่ะมันแน่นจุกหน้าอกหมดเลยอาจารย์ไม่ออกเลยพอไปรู้ลมหายใจก็ออกปันหายใจกึ๊กกกกะกัึกกะกักึ๊กกึกะกักบาทีไปไปบีบลมหายใจให้มันไม่หายใจไงแน่นหน้าอกจุกไปหมดเลยหายใจไม่ออกเลยอาจารย์ผมคืนได้ไหมเนี่ยมันมันเจ็บหน้าอกไปหมดเลยมันแน่นไปหมดเลยเพราไปบีบลมหายใจก็ไปงทีก็ไปพอไปรู้ปุ๊บหายใจก็ไม่หายใจมันไม่เดินเลยอายใไม่สะดวกเลยกึกกกะกึกกแน่นเออผม ไม่ใว่าทุกอย่างนะบอกแล้วมันทําได้หมดทุกคนไม่ได้หรอกเนี่ยไปรู้แล้วให้รู้เราไม่ใจก็ออกครับมันไปไม่รอดเห็นไหมพุโทโธก็ไปไม่รอดไปพระเจ้าพระเจ้า ก, ก็ไปไม่รอดเราเลยหมดหนทางเอาให้ดีวะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างคืนหมดอนะเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เ, ยวเลิกฝึกจิตได้ไหมเลิกก่อนตอนนี้เลิกคิดเรื่องฝึกจิตเดี๋ยวเดี๋ย ว, วางก่อนไม่ต้องพูด ก, กันเรื่องจะปฏิบัติยังไงเรามาคุยกันหน่อยว่าเออท่านชอบอะไรบ้างเฮ้ยท่านชอบอะไรบ้าง ในชีวิของท่านท่านภูมิใจกับอะไรที่ตุดแล้วท่านชอบอะไรตุดโอ้โหพอพูดแต่นี้ของขึ้นเลยแต่ไม่ได้ของขึ้นเพราะม โ, โหนะของขึ้นปีติขึ้นเลยปีติขึ้นอาจารย์ผมนี่เป็นนักสีไวโอลินมือหนึ่งนะผมเคยเข้าสีไวโอลินกับวงออเคสตราวงใหญ่ของอเมริกาผมได้รับเกียรติให้เป็นผู้ที่เข้าไปแสดงร่วมไปสีไวโอลินร่วมโอ้โหผมผมเนี่ยเป็นมือหนึ่งของการสีไวโอลินเลยสีเพลงอะไรนะ นี่เพลงโมซาร์ตมีทูเฟนเพลงพวกเนี่ยคลาสสิกเนี่ยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นอะไรเนี่ยนั้นเป็นยังไ <c oughs> งเขาก็าโอ้โหตอนนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเอาใหญ่เลยไปตีคู่ใหญ่เลยตอนนี้ก็สีไวโอลินใหญ่แต่ว่าลิมไม่มีหรอกก็ทออาทำมือไงเอ่อทํามือเป็นไวโอลินแล้วก็สีแล้วก็ทําเพลงให้เราด้วยอี่ออะไรเพลงอะไรเนี่มันอะไเพลงอะไคลาสสิกอ่ะแล้วก็เออแก็เออไปด้วยแต่ก็เราเห็นก็เป็นปิติมากเอาสว่างสวัยมากเลยยิ่งพูดยิ่งยิ่งทำยิ่ ปรากฏว่าไอตัวไวโอลินกับไออทิโกสีเนี่ยมันไม่มีหรอกมันไม่มีแต่มันตัวล่อเขาไม่ฟงซานเลยก็ไม่ฟงซานเลยเจ้าเนี่ไม่ได้ฟงซาเลยเพราะอะไรไวโอลินไม่มีหรอกแต่มันมันมันไม่เอาไวโอลินอยู่ในใจไวโอลินมันไปอยู่ที่กายใะ่ไหมมันอยู่ในใจเพราะไวโอลินที่บือมันไม่มีก็จะสีสีเป็นเพลงได้มันมาอยู่ที่ใจหมดเลยจิตมัรวมไปเนี่ยบ้านสามชั้น สนานวันไหววัวเลยเป็นเป็นดินไหวเลยเนี่ยงั้นเอาเครื่องล่อไปอันเครื่องล่อไวปให้มันรู้สึกตัวไว้แล้วก็สังเกตตรงไอ้ผู้รู้เนี่ยว่ามันมันรู้เครื่องล่อแล้วมันไอ้ผู้รู้เนี่ยมันพากอะไรมันพูดอะไรหมดอยู่ในใจแต่เครื่องล่ออย่าให้ทิ้งนะให้รู้สึกตัวไว้แต่ต้องสังเกตว่าผู้ที่ไปรู้เครื่องล่อเนี่ยมันภากอะไรมันพูดอยู่ในใจตลอดเวลานะแต่มีข้อแม้ว่า ต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรอยู่เพราะเคยมีประสบการณ์คือมีลูกศิษคนหนึ่งอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานพอขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานแล้วเขาก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็รู้อยู่ภายในใจแล้วจิตมันเกิดไปรวมเป็นเอกขคตตาจิตไปรวมเป็นหนึ่งเดียวในนั้นไม่รับรู้ภายนอกเลยจิตไปสว่างเจิดจ้าอยู่ภายในไม่รับรู้ว่าตัวเอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่รับรู้อะไรเลยรอบตัวภายนอก รถบรรทุกม้างหลังก็คงบีบแต่ไร่แล้วคงแผลไปแถมาแถลไปแถมาแต่ไม่ลม้มไงเลยรถบรรทุกมันก็คงไล่บีบแต่มานานมันก็เลยคงลำขาดมันก็เลยเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยนะชนชนแล้วมอเตอร์ไซค์เละเลยเยะเละมอเตอร์ไซค์เละเหยียบไปเลยทับไปมอเตอร์ไซค์เละเลยแต่เนี่ยอาจารย์เนี่ยที่ขีม่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยประเด็นออกไปจะไม่เป็นไรแปลกมากเลยไม่บาดเจ็บด้วย ไม่บาดเจ็บนี่พอมรบมุกคำเลยไปหน่อยเอ็มตำรวจเขาก็จับมาเพราะว่าป้อมตำรวจมันอยู่เลิฟอีกหน่อยเดอเขาเห็นเ้าเห็นปุ๊บเขาจับมาตกัดจับก็มาทำแผนมาทำแผนที่เกิดเหตุอาจารย์เล่าให้เราฟังว่าทานาตตำรวจพาพาเนี่ยพาคนร้ายมาทำแผนที่เกิดเหตุนเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยพอรู้สึกตัวขึ้นมา อะไรมันก็พุทโธพุทโธพุทโธอยู่ข้างในกระเด็นมาแล้วอย่างพุทโธพุทโธพุทโธรู้ตัวแต่ข้านั้นจกรทัพมันพุทโธหายไปแล้วเหลือแต่จิตสว่างเจิดจ้าอยู่แต่ข้างในอย่างเดียวจนคำวิการพุทโธมันเลือนหายไปไปรวมเป็นหนึ่งเหลือแต่รู้จิตกับผู้รู้นี่มันรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกาคตาจิตเหลือแต่จิตสว่างเจิดจ้าอยู่ท่าไหนยังไม่รู้ตัวเลยจักรทังตาพากใหญ่อ่ะรู้ตัวขึ้นมาอ้าวทำไมคนมาเต็มเลยเขากำลังทาแผนที่เกินเรก็ก็ไม่สนใจเขาอีกนะมุกจะกลับมาพุทโธพ เขาบอก Dante, ว่าไปคว้ามอเตอร์ไซค์จะขี่ไปโรงเรียนก็มอเตอร์ไซค์แบนไปหมดแล้วไงทำไมมอเตอร์ไซค์มันแบนตำรวจก็บอคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยเขาชนคุณแล้วก็เนี่ยเขาหนีไปเนี่ยโดนจับมาเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็คนขับรถบรรทุกก็บอกว่ามันเหยียบไปทั้งคนทั้งรถเลยแปลกมากเลยไม่ตายไม่ตายมอเตอร์ไซค์แบนอย่างเดียวแต่คนไม่ตาย คนไม่ตายคงพุโทโธพุธโทโธหรือฌานเนี่ยคงคุ้มครองไว้แล้วสาไมใา่ให้เขาให้ก็รอดปลอดภัยแล้วเลยมาเป็นประสบการณ์เลยเราสอนลูกศิษว่าหลังเราต้องระวังว่าจะต้องตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันว่าตัวเองกำลังทาอะไรด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ตื่นรู้เพราะจิตมันไปนรวมเข้ากันบางคนมันมีเคยวาสนาบา ร, รมีเคยเป็นฤาษีเก่ามาเคยเป็นฤาษีไม่ใช่ว่าที่เราพูดฤาษีไม่ใช่ว่าโอ้คนที่มีไอ้แบบมีมีทําเป็นหนวดเขา่ามีชฉผ ม, มะเป็นชดาผมยาวเป็นฤาษีใส่ดังเสือเนะี่ยไม่ใช่คือ เป็นฆราวาสนี่แน่มาหลายชาติแต่หรือว่าเป็นพระหรือฆราวาสอะไรก็ตามเนี่ยเคยปฏิบัติสมาธิจนได้อารมณ์ปิติถูกอุเบกขาเป็นระดับชาญมาเขาเรียกว่าเป็นฤาษีคือชานฤาษีปฏิบัติชานฤาษีมาหลายชาติไม่ได้เป็นวิปัสสนาเพื่อความบรรทุกแต่ไปประยุึ์เนี่ยทำไมยึดเขาเป็นวิปัสสนามันเกิดอะไรขึ้นทำไมยึดมันเป็นวิปัสสนาเป็นฐางพุทธเจ้าแต่พอมไปยึดสิ่งตัวเองเป็นอ่ะมันเป็นชานฤาษีเลยมันต่างกันตรงนี้เน่ยรือว่ายึดกับไม่ยึดอันนี้พอขณะมีสติตื่นนรู้ย่เี แล้วไม่ให้มันเผลอสติเลยพุทโธพุทโธพุทโธเราก็รู้ตรงผู้รู้เรื่อยไปรู้ตัวตัวเราผู้รู้พุทโธเนี่ยมันภาคมันพูดอะไรอยู่ในใจรู้ตรงตัวเราผู้รู้มันภาคมันพูดอะไรอยู่ในใจเราก็พุทโธพุทโธให้รู้สึกตัวไว้แล้วก็รู้สึกตัวว่ารู้สึกตัวทุกพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เดินชนนู่นชนนี่ตะเปิตะปะหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วก็รู้ตัวด้ว่าเรากำลังพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่รู้สึกตัวแล้วก็แอบรู้อยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ผู้ะาล ละอุปทานขันธ์ห้าในบทคือละถึงวิญญาณขันธ์เนี่ยผู้รู้แล้วก็ละทั้งหลายิงที่ถูกรู้คืออารมณ์ที่ถูกรู้คือเวทนาสัญญาสังขารในวิธีการละอุปทานขันธ์ห้าอย่างเงี้เข้าใจไหมละ่ะเออถ้าอย่างงี้เราก็ฝึกแบบนี้เลยเป็นตัวล่อไว้แต่ถ้าสำหรับคนที่ก็รู้ไปแล้วเขาก็อาจจะไปต้องใช้เออเอาตัวล่อไว้ก่อนตัวรอไว้ก่อนหลายคนเนี่ยมันไม่รู้จริงก็แต่คิดไปไม่กว่ารู้แต่ตัวเองกหลงคิดไปเรืเอ่อยอย่างเช่นว่ามีประสบการณ์อย่างจะรู้สิลป์เนี่ยศิลป์เนี่ยทำให้มีประสบการณ์ บอกว่าเราบอกว่าพอแล้ว เ, เล่าให้เราฟังเรื่องเรื่องทะเลาะกับสามีมาเนี่ยเรื่องสามีทำร้ายร่างกาจนเลิกกันเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกแล้วพูดตั้งแต่เช้ายันยันเที่ยงยันบ่ายเนี่ยพอแล้วเลิกแล้วเขาก็จะพยายามจะเล่าให้เราฟังเราบอกว่านี่ <peers> ไม่รู้ตัวเลยนล้วเนี่ยออคิดอะไรไม่รู้เลยเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้อาจารย์ทําไมจะไม่รู้เนี่ยก็กําลังเล่าเรื่องเรื่องอะไรให้อาจารย์ฟังทําไมจะไม่รู้เหะอเราบอกว่านี่ไม่รู้มันหลงคิดหลงพูดหลงคิดหลงพูด ที่เอาเรื่องเล่าตรงนี้ยมาเล่าก็เพราะว่าข อ, าขอต้องขออภัยเขาเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเดยวเขไปฟังสิไปฟั ง, ฟงเสียงเขาเขาก็เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะเขาก็จะเล่าอยู่อะเนี่ยเขาบอกว่ารู้หมดเนี่ยหนูคิดอะไรหนูพูดอะไรให้อาจารย์ฟังอนะ่ะหนูรู้หมดเนี่ยแต่ก็พูดนานมากเลยตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลยเนี่ยเราบอกพอแล้วพอแล้วเราก็ตัดตอนอยู่เลยเขาก็บอกว่าทํ า, า, ว า, วาทไมไม่รู้หนูไม่รู้เลยเนี่ยมันฟุ้งซ่าน นี่มันฟุ้งซ่านหนูไม่ได้ฟุ้งซ่านหนูรู้ทุกอย่างเลที่พูดอาจารย์ฟังเนี่ยหนูคิดอะไรหนพูดอะไรหนูรู้หมดแต่รู้ตัวหมดอย่างเงี้ยมันฟุ้งซ่านเน่ยมันมันคิดไปแต่ตัวตเองก็รู้คิดหลายคนเป็นอย่างนี้นะคิดอะไรรู้หมดเนี่ยคิดอะไรรู้หมดอ่ะคิดเรื่องอะไรก็รู้หมดเนี่ยโอ้อย่างนี้มันคิดไปเรื่อยเรื่อยมันรู้ขึ้นรู้ว่าเรื่องอะไรมัคิดไปเรื่อยเลยทำไมจะไม่รู้เนมันคิดถึงคนนี้เสร็จก็ไปจบไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนั้นคิดคนนี้จบกว่าคิดน มันแยกไม่ออกระหว่างรู้จิตที่คิดกับเอาจิตไปคิดไปคิดเนี่เอาตัวเราไปคิดกับรู้ตัวเรากำลังคิดคือจิตอะรู้จิตที่คิดกับเอาจิตจะไปคิดเรื่อยๆปุ่แต่งคิดเรื่อยๆแยกไม่ออกแล้วแยกไม่ออกถึงขนาดว่าก็บอกพอแล้วพอาะกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วไปไปกกลับบ้านไปโทรศัพท์ไม่หยีเราก็นึกว่าใครโทรเจ้าเก่าอีกโทรศัพท์มาอาจารย์เมื่อกี้ยังเล่าไม่จบเดียว อย่างนี้มันหลงจริงๆอะหลงมากๆเลยแยกไม่ออกระหว่างว่ารู้คิดกับกับรู้จิตที่คิดเนี่ยหรือเรียกว่ามันไอจิตคิดมันจะมีความรู้สึกกับตัวเราเป็นคนคิดไงตัวเราเป็นคนคิดคือเราต้องรู้รู้ตัวเราที่กําลังคิดไม่ใช่เอาตัวเราไปคิดอันนี้มันเอาตัวเราไปคิดแทนที่จะรู้ตัวเรากําลังคิดอะไรไปรู้อะไรแล้วตัวเรามาภาคมาพูดอะไรอยู่ในใจเราไปรู้อะไรแล้วมาเอามาภาคมาพูดอะไรอยู่ในใจอันนี้รู้รู้วิญญาณขันรู้จิตที่ทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าเราเนี่ยหลงเอา ขันห้าปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเราไปคิดไปปรุงแต่งไ อ, อย้ยางเงี้ยมันหลงขันห้าหลงยึดขันหน้าเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเราไปคิดไปพูดไปเพ้อเจ้อไปฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยคือมันหลงหลงยึดวิญญาณหลงยึดขันห้าแล้วก็ฟุ้งซ่านเพราะนั้นวิธีแก้ความหลงคิดเนี่ยแบบเนี้ยต้องมีเครื่องล่อไว้เลยอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่หลงคิดไห้มีความรู้สึกตัวให้มันเต็มร้อยเปรเซ็น์อยู่กับเครื่องล่อแล้วก็ ให้สังเกตตรงไอ้ผู้ที่รู้เครื่องล่อเนี่ยมันรู้แล้วมันพูดอะไรอยู่ในใจอยู่คนเดียวมันจะได้ไม่เอาเอาไอ้ตัวเองอไปคิดอะไรถ้ามันไม่ไม่รู้สึกมันไม่ทิ้งความรู้สึกตัวอยวเครื่องล่อมันจะได้ไม่เอาตัวเองไปคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่แล้วก็บอกว่ารู้ทุกคิดเพราะว่าถ้าตัวเองรู้สึกตัวอยู่กับเครื่องร่อมันเลยเอาตัวเองไปคิดเรื่องนี้จบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อมันเลยคิดไม่ได้งแต่ถ้าตัวเองเอาไปเครื่องร่อไว้เนี่ยแล้วไอ้ผู้รู้รู้รู้ตรงไอ้ผู้ที่รู้เครื่องร่อเนี่ ไอ้ผู้ที่รู้เครื่องล่อมันมาคิดอะไรอยู่ในใจแล้วก็ปล่อยมันเถอะไม่อยากคิดอะไรกรช่้นเพราะว่าเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับเครื่องร่อเราเลยไม่หลงคิดเนี่ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกตัวเกกับเครื่องล่อเราเลยไม่หลงคิดไม่งั้นอะหลงเอตาตัวเราไปคิดตายเลยแล้วเราก็บอกว่าเรารู้ทุกคิดผู้ที่ดูจิตเนี่ยแต่หลงคิดเนี่ยเยอะมากเลยปฏิบัติแบบเนี้ยผู้ที่ดูจิตนะฝึกดูจิตดูจิตหลงคิดเยอะมากเลยเข้าใจว่าเนี่ยคือกาลังดูจิตดูจิตคือดูวิญญาณขัน ที่ทํางานโลกกว่าเจตสิกเวทนาสัญญาทังขารัญญา้งยานแต่เขากับหลงคิดเอาขันห้าไปปรุงเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยหลงคิดไปเรื่อยอย่างนี้มันฟ้ากับดินแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือให้มีความรู้สึกตัวให้มันชัดเจนมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเจนอยู่กับเครื่องล่อแล้วก็มีความรู้สึกตัวชัดเจนว่าตัวเองกาลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวก็ทําอะไรผิดผพลปรพาดปัป๊มปัเปอเปอ ร, ปรขับรถ ต, ต่อถนนนะก็ให้มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วก็สังเกตตรงผู้รู้ ผู้รู้คือจิตวิญญาณาขันเนี่ยผู้ไปรู้เครื่องรอเนี่ยแล้วมันพูดอะไรบนอะไรมันตึกต้องว่าอย่างไรอันนี้มันเท่ากับรู้รู้วิญญาณขันจิตวิญญาณขันทางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาทางขาันวิญญาณถ้าเราสักแต่ว่ารู้ได้เนี่ยสักตะวันรูไ้ไอผู้รู้ที่มันพูดมันบนได้ปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางทั้งผู้รู้คือปล่อยวางทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางทั้งผู้รู้มันก็เท่ากับปล่อยวางขันท่าละอุปทานขันท่าได้หมดก็บรรลุบางผลนิพพานได้ิธีมััันนแตตตกก่าางง้ออศย มันคือเป็นเครื่องล่อไว้อย่าทิ้งความรู้สึกตัวโยชนเครื่องล่อเข้าใจไหมหนูอยากสอบถามค่ะใน ป, ปฏิบัติอที่ผ่านมาค่ะตอนเดินจงกรมเสร็จแล้วเพ่งอยู่ที่ที่เดียวแล้วเวลานั่งสมาธิเกิดอาการแบบอรู้สึกมีสิ่งที่ดึงดูดอย่างแรงแล้วก็กลัวกํารู้สติว่ากลัวกลัวมากอะค่ะแล้วก็ตกใจแล้วก็ลืมตาขึ้นมา เห็นพระพุทธรูปสันค่ะนัเป็นไงก็สันซักพักแล้วเดี๋ยวมันก็หายอะค่ะรู้สึกตกใจแล้วเวลานี้จะทำยังไงรตอนนั้นในคนที่ก็คุมจิตให้เขาไม่บอกเราไม่แนะนำอะไม่ปฏิบัติตอนปฏิบัติอยู่อืมเขาเอสอบถามแล้วบอกว่าให้พยายามลืมตาแล้วก็ลุกเดินอะไรอ่างเี คือตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเรื่องอยู่ในเหตุการณ์ที่อันตรายคือเราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มันเหมือนเหมือนอาจารย์นั่นแหละแล้วเราหรือว่าเราไม่ได้ขับรถยนต์เนี่ยถ้าจิตมันรวมในขณะนั้นตอนที่ไราอยู่ในอยู่ในสถาว่าอันตรายที่เราอยู่กับเครื่องจักรคนนี้อันตรายหรือขับรถอยู่เนี่ยแล้วปล่อยมันขาดไปเลยคือมันมันมีอาการอูบมันถูกดูดอย่างแรงมันตกหลุมอากาศอันนี้เขาเรียกว่าจิตรวมจิตมันจะรวมเข้าไปเป็นเอะกะตาจิตเป็นจิตเป็นหนึ่ง จิตกับเครื่องล่อรวมเป็นหนึ่งแล้วเครื่องลอก็จะหายไปแล้วมันถูกดูวดก็ไปเพราะว่าจิตกับเครื่องลอกมันมันรวมเป็นจิตมันก็เลยไม่มีไม่มีว่าจิตผู้รู้กับไอ้เครื่องลอกมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันวูบเก็ไปเลยต่อให้มีสติตื่นรู้ยังไงก็ตามแต่ด้วยอํานาจวาสนาบารมีเคยฝึกสมาธิถึงระดับชาญมามาเล็ดกลับไปของเก่าสติยังไงก็ต้านไม่อยู่มันก็วูไปวิธีปฏิบัติเนี่ยที่ผิดคือมันไม่มีใครแนะนำตอนนั้นอ่ะมันมันไปยื้อเข้า แล้วมันอย่างนั้นมันต้องตกกระไดพลอยโจรตกกระไดพลอยโจรไปเลยแล้วก็ปล่อยไอ้ขาดจะไปยื้มันก็เอออะไรเนี่ยออมันมึอออยู่แค่นันะอันนี้อันนี้เสียท่านะครับคือตกกระไดพลอยโจรไปเลยไอ้จีมันรวมวุ้บไปแล้วก็ปล่อยมันเป็นยังไงกระเจ้ามันไม่ตายหรอกก็แครรู้ไปแคร์รู้แค่์รู้แครรู้แครู้แครู้แค่รู้แครู้แค่รู้แครรู้แค่รู้สติให้มันอย่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านอะไรให้สติให้ให้แครรู้ไว แค่รู้ไว้แค่รู้ไวอย่าไปฟุ้งซ่านอะไรอย่าไปเอ อ, เ อ, อคืออะไรเ อ, อ, อะไรเยปล่อยให้ขาดเลยคอยบึบไปเงี้มันก็บึบไปจน ส, สุดก็มาเนี่ยแหละแล้วก็บึ๊บขึ้นมามันก็นี่แนะที่เราเห็นในพระพุทธรูปมันไวไวได้น่ะคือไอ้เนี่ยคือตอนที่เห็นพระพุทธรูปมันเกิดอุกกานิมิตแล้วก็ตอนที่พระพุทธรูปไวไวเนี่ยมันเกิดปฏิภาวนิมิตปฏิพระพุทธรูปก็องคใหญ่ขึ้นอง์เล็กขึ้นอะไรเงี้ย ก็คือเกิดปฏิภาณนิมิตเราก็จะตูนเต้นตกใจก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้ผลทูรุกันเลือนหายวุบไปอีกเหลือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตมันก็วุบแล้วก็วิตติสุชาสุชาสาบซ่านเขเรียกว่าวิตกวิจารดับไปวิตกวิจาร์ดับไปแล้วไงไอ้วิตตกวิจารณก็คือวิตกก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยกมาเป็นเครื่องรอจิตเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกวิจารณก็คือให้มีสติเนี่ยควบคุมอะ ให้มันเนี่ยให้จิตเนี่ยมันรู้อยู่แต่เครื่องล่อไว้ให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับเครื่องล่ออย่าอย่ายเผลอไปคิดอย่าทิ้งเครื่องอย่าทิ้งเครื่องล่อไปฟุ้งคิดฟุ้งซ่านเอาสติมาควบคุมไว้ไอ้ไอ้เนี่ยไห้มันรู้อยู่กับเครื่องล่อให้จิตเนี่ยมันรู้อยู่กับเครื่องล่อไอ้ที่พยายามให้จิตเนี่ยมันมาเข้าคอเคียอยู่กับเครื่องล่อไม่ให้มันพาดไปแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันยังเข้าคอเทียไม่ไม่ไม่ค่อยได้หรอกมันก็คือได้หลุดบ้างหลุดบัางรู้บ้างหลุดบ้างรู้บ้างแต่พอมาเนี่ยวาสนาบารมีเก่ามมีา เคยได้สมาธิระดับอารมณ์ฌานมันก็ค่อยๆไม่ไปไหนจิตมันก็อยู่กับเครื่องล่อมันไม่ค่อยหนีไปไหนนะมันก็เขา้าคอคีอะพอมันเขา้าคอเคียเหมือนกับไอ้ตีแป้งเค้กอะตีแป้งเค้กอะแป้งเค้กตอนแรกเขาก็เอาไอ้แป้งเอาน้ําตาลเอาน้ําเอาเนยเอาไข่อะไรมเอานมเใา่มเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเ น, นเมเอานมเอานมเอานมเอานเา อ, เน อ, เ อ, อ, อ, อนานมกกเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเอานมเตกพอวิจารณเอานมเอานม ไอ้สติเน like ี่ยควบคุมไม่ให้จิตเนี่ยมันมรรู้อยู่แต่ไอ้เครื่องรอมันเข้าขอเคลียกันตอนนี้พอมันอยู่นานๆมันอยู่ด้วยกันเขาก็ค่อยเนียนแป้งก็ค่อยเนียนคือไอ้เครื่องรอกับจิตมันก็ค่อยเนียนเขาไปรวมเขาไปรวมเขาไปรวมเขาไปรวมไปมันก็ไปรวมไปเขาเรียกว่าเอกาคาจิตคือตอนนี้จิตไอ้แป้งเค้กเนี่ยมันฟูแล้วมันใช่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวแยกไม่ออกระหว่างว่าไข่แป้งน้ําตาลน้ํานยอะไรมันแยกไม่ออกเป็นส่วนๆแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวก็เรียกว่าเอกคตาจิต ตอนนั้นน่ะไ อ, อ้เครื่องรอเครื่องเลิศมันหายหมดแล้วและไอ้จิตมาเป็นมาแยกออกรู้สึกว่ามันแยกออกมาคนละส่วนไม่รวมกันเลยมันไม่มีแล้วมันไปเป็นหนึ่งเดียวกันแยกไม่ออกระหว่างจิตกับผู้รู้ทางตติอะมันไปรวมกันอยู่ในนั้นเนี่ยมันรวมอยู่ในนั้นแล้วก็จะเกิดวิโตกิจั์ดับไปเกิดปิติสาดูจ่าดูจ่ า, ก, า, าก็จะไปตื่นเต้นอีกเอาตติติคุมจิตไว้ดีอย่าตื่นเต้นอมันก็มีตื่นเต้นหลายตอนตื่นเต้นตอนที่จะมันจะ ไปรวมอีกอะนี่ตื่นเต้นอันนึ่งมันยื้อๆเนี่ยเสียหายเสียหายมาต้องถ้ามีคนแม่นแม่นจิตแล้วก็คนที่รู้จริงก็จะดุเลยบอกไปไหมวางไปตรงนี้จะไปยื้อผมไปยื้อปุ๊บมันวุ้ดลงไปเลยให้มีสติไว้ดีไม่ตื่นเต้นตกใจชอบเป็นตอนนั้นตอนกําลังนอนก็จะรู้ว่ามันเออมันเป็นอย่างนั้นแหละเราไปอย่าไปยื้อนะชอบใช่ค่ะไปยื้อมันกลัวค่ะเอออันนี่ไหๆตรงนี้เน่ยเสียหาย ไปกลวัวเกินเลยไม่ตายหรอกเออไม่ตายหรอกไม่งั้นพ e. ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ตายไปแล้วไม่ตายหรอกอันนี้มันเป็นเขาสอนกันมามันเป็นอยู่ในคำพีเพราะวิตวิตตงวิจาร์ดับไปจะเกิดปีติพ่อปีติดับไปจะเกิดสุขสุขดับไปจะเกิดอุเบกขามันจะไม่ตายที่การมันเป็นไปตามพระคมพีเออทีนี้พอมันไปเป็นในปิติมันก็ไปตื่นเต้นกับปีติอีกอันนี้ต้องให้มีสติควบคุมจิตไว้ามัต้องตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ย เหมือน Side ที่บอกว่าในอายุส <Con> <moi> ิบขวบหรือาหรือว่าอีตันนึงอะตื่นเต้นมันจะลอยจะเหาะอยู่นั่นแหละมันจะลอยไปันจะช่วยผมด้วยผมเหาะได้ผมเหาะได้ลั่อยู่ในบอกปล่อยให้ปล่อยปล่อยไปตื่นเต้นให้แค่รู้แค่รู้ไม่ยอมรู้แค่แต่รู้เราเลยบอกไปเอาเชือกกัไปเอาเชือก100เอามาผูกเอวไว้เดี๋ยวจะสาวมาให้เวลาขึ้นลอยขึ้นไปไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอย่างเงี้ยต้องคอยตื่นเต้นตื่นเต้นนี้ก็บอกว่ามีสติตื่นรู้ไว้ตื่นรู้ว่าตื่นรู้สัตวารู้ตื่นรู้สัต ตอนนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าที่ไม่สัตว์ตั้วลู่นะพอมีนิมิตมามีนิมิตมาบอกว่าเราไปเรียนกับต้นปัสสกาลาสอง์ที่แล้วต้นเดตรพยานตะทังวอนที่ตึกสวชั้นสองท่านบอกว่าองค์บอกว่าเนี่ยพระหลวงอรหลงนิมิตนะนั่งสมาธิอยู่นิมิตเห็นพุทธเจ้ามากเกามือเรียกแล้วก็พุทธเจ้ามากเกาะมือเรียกท่าหน้าต่างลุกขึ้น กระโดดออกไปหาพระเจ้าหน้าะตากแล้วเป็นไงผลต้น <c oughs> สองว่่อเช่นสูงมันเช่นสองมันสูงอ่ะกระโดดจากหน้นตาต่างลงมาเนี่ยเฮ้ยลงนี่มิดไอยสัตวตาวรูสัตาวารูมันหลงนี่มิดอีกอีกด้านหนึ่งอ่ะเอออันนี้อันนี้พาะออื่ น, น, นไล่เราฟังบอกว่านั่งส ม, มาี่อยู่เห็นพระเจ้ามาบอกว่าเธอปฏิบัติดีแล้วพอแล้วเธอลุกเดินตามเราก็เลยลุกเดินตามพวกองค์ไปพุทธเจ้าก็เดินเร็วขึ้นก็ เ, าา เ, นเลยเร็วขึ้น กูตระเจ้าวิ่งก็เลยวิ่งวิ่งใหญ่เลยคนอื่นไม่เห็นหรอกกูตระเจ้าอ่ะตัวเองเห็นคนเดียวหลงนิมิตแต่กูเดาเห็นย ว, ว่าตัวเองวิ่งวิ่งจนผ้าผ่อนหลุดรุ้ยมาเลยแล้วก็ไม่รู้ตัวเป็นไงเป็นบ้าอย่าหลงนิมิตการฝึกท่าจิตเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยต้องมีครูบาอาจารย์ที่แม่นจิตที่รู้จริงอีะ ไ, ไมีงั้นสอนผิดผิดพลาเลเทะเหมือนแล้วตัวเราก็ปฏิบัติพิดิดพลาดเลเทะหลงนี้ไม่เป็นบ้าไปเยอะ ถ้าปฏิบัติถ้าจิตที่เป็นฌานเนี่ยติตที่เคยเป็นสมาธิระดับฌานในพวกนี้ยต้องมีครูบาอาจารย์นะปฏิบัติลาบากแล้วนีแนะนํายังไงดีคะหลวงตาครูบาอาจารย์อ๋อนี่ก็มาแนะนำอยู่ดีเออก็แนะนําอยู่นี่แ่ะนำเปลาเปล่าอยู่นี่เลก็เลยเอาฟวงมาลัยมาถวายครูครูบาอาจารย์ด้วยค่ะแล้วขอคามาด้วยถ้าเกิดผิดพลาด คิดอะไรไม่ดีอ่ะค่ะไม่มีอะไรไม่ดีดดอ่ะดีหมดดีหมดดีหมด